ขอเชิญน้องยืนขึ้นนะครับ เ, เ, เราจะร้องเพลงสรรเ ส, ส, ส, ส, สริญพระเจ้าด้วยกันกับเพลงความสุขเร็มนีมีแก่ชาวโลก แต่เอเอ ม, ม, ม, ม, มีอันนี้ของคุณป่ะก็ขอสวัสดีในพระนามของพระยุทธคิดนะครับวันนี้เปรียบเสมือนเป็นวันพิสมัตก็คือการประสูติของพระคิดนะครับพระคิดก็คือพระเจ้านะครับเรา เราก็ทราบกันดีแล้วนะครับว่าหลายคนก็คงทราบดีว่าพระคิดช่วยพระเจ้าที่มาผสมเพื่อที่จะไถ่โทษบาปเราแต่ความจริงในเล็กๆบางอย่างเราก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับถึงแม้ว่าทราบการที่จะเรียนพระคัมภีร่วมกันนะครับแล้วก็เรียนว่าอ่านพระคัมภีร์ซ้ําแล้วซ้ําอีกก็จะมีพ้พรอย่างมากมายนะครับบางครั้งเราอ่านไปแล้วอ่านอีกเนี่ย จำได้ พ, พระพรอย่างที่เราไม่เคยคิดมาก่อนเลยและก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่เราจะไม่เดือหน่ายในการอานโภชนากนของพระเจ้านะครับก่อนที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะอธิษฐานร่วมกันก่อนนะครับเพื่อที่จะขอ พ, พอระพรจากพระเจ้าในการที่จะอยากรู้เพราะว่าสิ่งต่างๆที่เราจะเรียนเนี่ยเราจะรู้ด้วยการทรงนํำของพระวิญญาณนะครับ เราไม่แค่ดีความด้วยความรู้สึกหรือว่าประสบการณ์ขเราเองนะครับให้เราร่วมใจกันที่ฐานนะครับพระบิดาที่รักของเราทั้งหลายเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระเจ้าของโลกที่จะรับในวันนี้และในวันนี้ที่เหมือนเทศกาลแห่งการบังเกิดของโลกและกาเป็นสิ่งที่เป็นของฝันนั้นประเสริฐเลือที่พระองค์ทรงมีแก่ชาวโลกและช่วยเราที่จะเข้าใจในสิ่งที่ พระเจ้าทรงเปิดเปิดให้เราทราบและจะให้เราที่จะปฏิบัติที่เราจะเป็นที่ถวายเกียรติรแด่พระลองค์ในรอบข้างของเราจะได้รับพระพรในของฝันที่พระเจ้าประทานให้เราด้วยนั้นเราจึงอธิษฐานและขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอันนี้การประสูตรของพระคิดนะครับหัวข้อก็คือการนำปรากฏที่ยิ่งใหญ่มาสู่โลกครับ อการประสูนเอาอย่างนี้ผมไม่ค่อยผนัดที่จะดูและการอธิบายเลยบางทีผมก็จะพูดไปเรื่อยๆนะครับการประสูนของพระคิดเนี่ยเป็นเป็นการสัมแดงที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเลยนะครับแล้วกับหัวข้อที่เราจะมาเรียนในวันนี้ก็คือการไถ่โทษบาจะอยู่ในยอหอนที่สามข้อที่สิบหกในในการคืนดีในคืนสิบขที่หนึ่งข้อที่สิบห้าถึงยี่สิบนะครับเออเอ่นนอ ก่อนที่เราจะพูดถึงตรงนี้นะครับให้เราอ่านพ้อคีร่วมกันก่อนนะครับจะอยู่ในลูกานะครับที่พูดถึงการปผรสม ข, ของพระเยซูิตการทํานายนะครับอยู่ในลูกาบทที่หนึ่งข้อที่ยี่ิบกถึงยี่สิบปดในลูกาบทที่หนึ่งข้อที่ยี่สิบหกถึงข้อที่ยี่สิบปดนะครับ พร้อมนะครับหนึ่งสองพร้อมไหมครับรู ก, กาบทที่หนึ่งข้อที่ยี่สบหกถึงข้อยี่สิบแปดนะครับพร้อมแล้วอ่วานพร้อมกันครับหนึ่งสองสามพระเจ้าส่งใช้ทูตสวรรค์กาเี่ยมมานั้นมาอย่างเมือนหนึ่งในแคว้นกาลิมีชื่อนาซาเลตมาถึงหินพระมารีคนหนึ่งที่ได้มันไว้กับชายคนหนึ่ง ที่ชื่อโจเซฟเป็นคนเชื้อวงดาวิดหญิงกงมาจารีนั้นชื่อมาทูตสว่างเข้ามาบ้าน่าถึงหญิงกงมาจารีนั้นแล้วว่าเธอผู้ซึ่งพระเจ้าทรงโปรดปรานมากจงจำเลินเธอพระเจ้าสถิตยอยู่กับเธอฝ่ายหญิงมาลีก็ตกใจกับคำของทูตนั้นและล้ำถึงว่าคำทักทายนั้นหมายว่าอะไรแล้วทูตสวรจึงกล่าวกับเธอว่า มารีเรอ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะเธอเป็นที่พระเจ้าทรงโปรดปรานแล้วเอาแค่นี้ก่อ น, นครับในตรงนี้เนี่ยเป็นการทำนายของพระเยซูคริสต์ที่จะมาฟังเกิดจากหญิงพูมาจารีแล้วเราถ้าเราดูต่อไปจะเป็นการกำเนิดของพระเยซูจะอยู่ในบทที่สองนะครับซึ่ง ในแถบนั้นที่มีทุ่งเลี้ยงแกะนะครับแล้วก็ผู้สว่างฟงเดียวกันนี่นะครับก็ปรากฏกับผู้เลี้ยงแกะและบอก่าวีว่าวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดมากปกปิดนะครับเราจะเห็นว่ า, าสิ่งต่างๆที่พระวจนะของพระเจ้าได้บันทึกไว้นะครับเราทราบว่าพระคพีคือคำตักคำสั่งคำสอนของพระเจ้าซึ่งต้นใจให้คนแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับที่แตกต่างการเวลากัน เขียนขึ้นมาซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยท้องจองเป็นหนึ่งนะครับเป็นเรื่องราวของพระเจ้าย้ัการที่เราจะมามาพูดถึงการประสูตรของพระเยซูคริสต์เนี่ยแค่เป็นหนึ่งในเรื่องราวของโลกเรื่องราวของโลกก็คือ history นะครับเรื่องของโลกที่เราเรียกว่าประวัติศาสตร์มนุษย์เราแปลคำว่า history ว่าประวัติศาสตร์จริงๆแล้วก็คือเรื่องของโลก เรื่องราวของพระองค์ได้บรรจุไว้แล้วตั้งแต่เริ่มแรกทีเดียวนะครับแล้วไปที่บอกว่าการที่พระเยซูทรงมาบังเกิดเนี่ยเป็นแผนการอันหนึ่งเท่านั้นเองถ้าเราไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าทั้งหมดนี้เป็นยังไงภาพรวมของเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงเนี่ยเราก็เหมือนกับเราดูหนังเข้าไปดูหนังตอนตลางกาลนะครับเราก็จะไม่รู้บางคนก็ตีความหมายว่าคริสต์มาสเนี่ยเป็นวันฉลองเฉลิมฉลองลอง การบังเกิดของพระเยซูบางคนก็คิดว่าพระเยซูเป็นผู้เผยวิะวจนะองค์หนึ่งนะครับบางคนก็คิดว่าเป็นศาสตาพยากรณ์เหมือนกับศาสนาอือ่นๆก็คือคนที่ดีมามาสั่งมาสอนสิ่งที่ดีแต่อย่างนี้นะครับคือไม่ว่าเราจะตีความหมายอย่างไงก็ตามนาในในนี้เนี่ยเราจะเห็นว่า ทูสวรรค์ปรากฏกับมาอีนะฮะหละกักการในบทที่สองเราจะเห็นว่าทูสวรรค์ปรากฏกับพวกลึกลับเรื่องแก่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่านางมารีเนี่ยที่เป็นหญิงของม า, ารีเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่ามั่นหมายกับโจเซฟแล้วการจะแต่งงานอีกเดือนสองเดือนข้างหน้าสมมตินะครับแล้วปรากฏว่านางมารีตั้งครรภ์เนี่ยสมมติว่าคุณเป็นโจเซฟคุณจะรู้สึกยังไงครับ ถือว่ามีคุณจะแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งในสองเดือนข้างหน้าแล้วก็ยังไม่ได้อยังไม่ได้อยู่ร่วมกันนะครับเราปรากฏว่าหญิงที่คุณมั่นไว้เนี่ยมีมีคันคุณจะรู้สึกอย่างนะครับนะครับคุณจะเชื่อเรือกว่าหญิงแด้บอกว่าเกิดจากข้าวิญาณรู้สุดนึกป่านะครับหรือเอในในในอไนหลายๆอย่างนะครับที่ ปรากฏขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าเราเราเชื่อนะครับเฮอร์แมนบราฤบอกว่าความรอบรู้ของธรรมรนิชชนนะครับเป็นอกลักษณ์ในการที่พวกเขาเข้าใจวิถีชีวิตยอย่างมีคุณธรรมได้เห็นทุกอย่างในแสงธรรมของพระเจ้าจากหมุมมองชีวิตเึงไหลถ้าแปลความแปลภาษาไทยเป็นภาษาไทยนะครับก็คือธรรมรนิชชนก็คือผู้เชื่อนะครับ ผู้เชื่อมีความมั่นใจไม่เปลี่ยนแปลงนะครับและมองทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้เนี่ยโดยผ่านทางพระเจริญบอกพระเจ้าคือเห็นทุกอย่างอย่างที่พระเจ้าบอกเราพระเจ้าบอกเราในมุมมองของพระเจ้าพระเจ้าบอกเราแล้วนะครับอยู่ในพระคัมภีร์พคัมภีร์นี่ก็ uh <ment> คือคาตัดคำสัษษ่งสอนของพระเจ้าที่บอกไปแล้วถ้าเราเห็นทุกอย่างนะครับและเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าบอกเราเนี่ยเราจะมอง เราจะมีโลกทัศน์หรือว่าเรามุมมองของเราเนี่ยจะเหมือนกับที่พระเจ้าต้องการให้เราเห็นฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าพระเยซูเกิดจากหญิงพรหมจารย์นะครับเราต้องเชื่อครับแต่บางคนไม่เชื่อก็ ก, ก็สุดแล้วแต่เพราะทุกอย่างเนี่ยพระเจ้าได้เปิดเผยแล้วนะครับทั้งทางตรงแล้วก็ทั่วทั่วไปแล้วก็โดยเฉพาะเจอบจงสําหรับคนใดคนหนึ่งอย่างมารีนี่พระเจ้าจะเปิดเผยเฉพาะเลย นะครับเป็นผู้ที่พระเจ้าส่งเลือกสรรไว้เลยนะเป็นที่โปรดปรานมากนะครับเพราะพระผู้ช่วยให้รอดเกิดจากหิทธิพุทาจาร <S <S <S <S สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าเราเรามีมุมมองเหมือนกับที่พระเจ้าต้องการให้เรามองนะครับเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนนะครับหลายหลายคนตีความว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันเกิดขึ้นโดยบังเอิญ แล้วก็หลายๆความคิดไม่ว่าจะเป็นธรรมชาตินิยมนะครับก็จะแปลว่าไม่มีอะไรทุกอย่างเกิดจากอะตอมปลังมันดูหรืออะไรฟอร์มขึ้นมานะครับไม่มีพระเจ้านะครับมีเหตุมีผลสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จะเกิดตามแล้วสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่เกิดของสิ่งต่อๆไปแล้วก็ไปเรื่อยๆนั้นประวัติศาสตร์ของเขาที่บันทึกก็คือเชิงเส้นหรือรที่เราเรียกว่าวีเนียแต่เราไม่เชื่อนะครับ ผู้เชื่อของเราจะรู้ว่าทุกอย่างได้ถูกกําหนดไว้แล้วนะครับโดยพระเจ้าและกับพระเจ้าสร้างทุกอย่างและกับเพื่อพระองค์เพื่อเกียรติของพรงะองค์เองนั้นเรามาดูนะครับในมัทธิวก็บอกเหมือนกันมัทที่สิบกข้อที่สิบเจ็ดก็บอกครั้งหนึ่งเนี่ยพระเยซูเข้าไปในเมืองซิสเซเรียนะฮะชนเซนกีย่านะฮะแล้วฟิลินก็ถามว่าประชาชนที่มาเหมืนกันเนี่ยถามว่าเขาพูดยังไงกับพระเยซูนะครับ รัสาวกของพระองค์ก็บอกว่าพวกประชาชนบอกว่าพระองค์เนี่ยเป็ น, เ อ, เ, ปนเอลียาหรือว่าเป็นเจอห์นเป้ให้บาิสมาหรือว่าเป็นเป็นเยเรมีแล้วก็หรือเป็นผู้เผยระเจ้าคนหนึ่งแต่พระเจ้าพระเยซูบอกถามซิโมนว่าแล้วเจ้าคิดว่าเราเป็นใครพระซิโมนเปนโตรตอบว่านะครับว่าพระองค์ทรงเป็นเอพระเจ้านะพระหัวหลวงพระเจ้าแล้วพระเจ้า พระเยซูตรัสกับซิโมนว่าซีโมนบุตโยนาห์เลยท่านก็เป็นศุขเพราะว่ามันรู้เพแยงแค่ความมี้แก่ท่านแต่พระบิดาของเราผู้ศสิทธิ์นีในสว่างแจ้งให้ทางซากนั้นเช่นเดียวกันนะครับออถ้าเรามองมุมมองของเราต่อโลกรัรรมหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี่นะครับไม่ใช่เรื่องบังเองิญแต่ว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงบรรจุไวแล้วนะครับนั่นคือเราต้องมองทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในมุมมองของพระเจ้านะครับที่เราบรรจุ เมื่อเรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้านะครับเราก็จะหัวข้อที่เราจะเรียนก็คือการไถ่และอันนึ่งก็คือการคืนดีนะครับการไถ่การไถ่บาปเนี่ยถามว่าไถ่บาปก็คือต้องมีการรับโทษแทนเราต้องทำไมพระเจ้าถึงต้องมารับโทษแทนเรา ใ, ในยอห์นบทที่สามก็สิบหกเนี่ยผมท่องตั้งแต่ผมรับเชื่ยวใหม่ มีคนมาบอกเนี่นะว่าทุกคนท่องเป็นใช่ไหมครับแต่เราเราเรงลองอ่านพร้อมๆกันเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองคเดียวของโลกเพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่ทิ้หน้าแต่มีชีวิตที่รักอันนี้ทุกๆคนก็ท่องได้ใช่ไหมครับแต่ว่าทําไมพระเจ้าจึงได้ประทานพระบุตรองคเดียวของพระองค์เพื่อมาตายแทนเรา ทำไมพระเจ้าทรงรับโลภพระเจ้าคือคือเราต้องเข้าใจนะครับว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นจริงนะครับในมุมมองของเรานะครับก็คือว่าเราต้องรับโทษแน่ๆเพราะว่าเราทําผิดไปเดี๋ยวเราจะพูดถึงว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงทําไมพระเจ้าถึงต้องมารับโทษแทนเรานะครับเรามาถึงตรงนี้ในประถมวรรการนะครับขึ้นข่าวอันตรามเป็นจริงเนี่ยนะครับ พระเจ้าเนี่ยเป็นมีองค์เพียงแค่องค์เดียวนะครับเพระองค์ยูโซเป็นอยู่แล้วเป็นนิลังและพระองค์เองอยู่เหนือธรรมชาติและกาลเวลานะครับพระเจ้าไม่ได้อยู่ใต้กาลเวลาครับอยู่เหนือกาลเวลาและการถึงกันนั้นนะครับพระเจ้าก็ยังเป็นลักษณะของความเป็นบุคคลนะครับบุคคลในที่นี้หมายถึงว่าพระเจ้ามีสติสัมปชัญญะพระเจ้ามีความรัก นะครับมีลึกิอำนาจและเป็นบุคคลนะครับและมีความวงแผนถ้าเราดูในพระภีเราเห็นว่าพระเจ้าุผงแผ่นด้วยแล้วพระเจ้ามีสติสมัมชัญญะแต่พระองค์ทรงเป็นตรีเอกาภาพและทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงและพระองคได้สำํำแดงพระงองค์ทางสิ่งทั้งปวงที่พระเจ้าทรงสร้างนะครับหลายคนบอกว่าต้องพิสูจน์พระเจ้าถึงจะเห็นจริงๆแล้วพระเจ้าสําแดงแล้วนะครับธรรมชาติที่เคลื่อนไหวอ ย, อยู่และเป็นระเบียบของมันเนี่ย ก็คือสิ่งทรงสร้างที่พระเจ้าสั่งแดงให้เราแล้วอยู่ที่ว่าเราจะตีความหมายว่าอย่างไงให้เรามาดูว่า <c oughs> พระเจ้าลักษณะอันหนึ่งคือพระเจ้าเป็นบุคคลนะครับบุคคลในที่นี้หมายถึงว่าพระเจ้ามีสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะเนี่ยนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือในภาษาอังกฤษเรียก่อนเชียช์ใช่ไหมก็คือคิดเป็นทำเป็นนะครับคิดเป็นทำเป็นเมื่อคิดเป็นทำเป็นเนี่ยเอ พระเจ้าจึงสร้างทุกอยาด้วยปัญญาของโลกนะครับนี่เราเอ่อในเอลเบิร์ตวอลเทอร์ได้บอกว่าทุกคนที่ค้นพบ น, นะครับเป็นข้อจำกัดนะครับกฎเกณฑ์ธรรมชาติอันนี้ก็คือกฎเกณต่างๆนะครับกฎเกณฑ์ต่างๆจริงๆแล้วกฎเกณฑ์ที่เอ่ออย่างอย่างเอ่อเ้อแจ็หนึ่งด้านค้นพบแรงน้มถูกใช่ไฮะ ค่าจีเท่ากับสา2สิบสองจุดสองหรือฟุนเปอร์แวะไรพวกีหรือว่ากฎการเคลื่อนที่ของนิวตันอันนี้คือฟิสิกส์หรือว่าไซเอนเซนไซอนจนะฮะแล้วมีหลายหลอย่างที่เรายังพดนพด้นไม่ได้นะครับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ก็ค้นพบอะไรต่างๆเป็นเท่ากับ4ยกกำลังสองะไรพวกนี้จริงๆกฎเกณฑ์เหล่านี้หรือว่าบัญยัติเหล่านี้นะครับพระเจ้าจได้สร้างไว้และวบาจุไว้ในในการสงสร้าง บรนจุไปแล้วขึ้นอยู่กับว่าเราจะค้นพบหรือว่าเราจะเจอบเมื่อนหล่นะครับที น, นี้เรามาดจุที น, นี้สิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเนี่ยล้วนแล้วจะเป็นสิ่งที่ดีจะในประสมบัติการเราเราเห็นชัดเลยนะครับว่าพระเจ้าสร้างสิ่งต่างๆในหกวันในแต่ละวันเนี่ยพระเจ้าจะจัดเตรียมทุกอย่างอย่างมีระเบียบระบบนะครับ อะไรท happen, ี่เกิดก่อนอะไรนี้ยผมคงไม่อธิบายแต่ในท้ายแต่ละวันถ้าเราอ่านเราจะเห็นว่าพระเจ้าทรงเห็นว่าดีมีเวลาเย็นแล้วเวลาเช้าแล้วเวลาเวลาเย็นแล้วเวลาเช้าแล้เป็นเป็นวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามวันที่สีทุกสิ่งที่พระเจ้าสร้างพระเจ้าเห็นว่าดีดีเยี่ยมยิ่งเราพทำดีกันยืนยันว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่มีอะไรบกดพ่าดเลยเป็นสิ่งที่ดีแล้ววันที่หกพระเจ้าสร้างมานะครับ พระเจ้าสร้างนะครับพระเจ้าสร้างมนุษย์อย่างบริสุทธิ์นะครับพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้ให้เหมือนใครเหมือนโลกนะครับพระเจ้าสร้างมนุษย์แล้วเราเป็นใครเราถูกสร้างขึ้นมานะครับเราถูกสร้างขึ้นมาเราไม่ได้เกิดจากลิงนะฮะเราหลายหคนอาจจะคิดว่าโลกเราเกิดจากสกเก็ตดาวเกิดจากการเอ่อเอ่อเกิดอะไรที่มันสก เราก็เรียนมาตั้งแต่ตอนประถมแล้นะครับว่าสเก็ดตดาวเย็นลงเกิดจากมีแบงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาเชื่อมันเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ค่อยๆเย็นลงแล้วก็เกิดมีสิ่งมีชีวิตจากเซลล์เดียวแล้วพัฒนาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วมันพังหุ่นหลงเราก็เกิดจากเศษสัดสิดเส่เซลล์เดียวพัฒนาเป็นลิงลิงแล้วก็มาเดินได้และ ก, กระจายตเราเชื่ออย่างนั้นนะครับเราถูกสอนมาอย่างนั้นจริงไหมตอนสมัยเด็ก แต่เราไม่เชื่อนีครับเพราะว่าเราบอกว่าพระเจ้าสร้างเราตามพระฉายของโลกตามพระฉายก็คือเหมือนพระองค์แต่ที่บอกไปแล้วว่าพระเจ้าเป็นอะไรเราคือผู้เป็นนะสมัยที่โมเสสถามว่าแล้วไปบอกอิสราเอลว่าใครใช่เข้ามาพระเจ้าบอกว่าเราเป็นผู้เป็นผู้เป็นหมายถึงมีชีวิตมีอำนาจนะครับแล้วก็มีความรู้สึก แล้วก็มีสติสัมปชัญญะตรงเรื่องเส้นหมอกนะครับเพราะเราเราเนี่ยต้องพึ่งพาพระเจ้าถึงแม้ว่าเราพระเจ้าสร้างเราเหมือนพระองค์พระจิ๋นะครับแต่เราต้องพึ่งพาพระองค์นะครับแล้วโคงสร้างหน้าที่ของเราพระเจ้ากําหนดแล้วนะครับว่าต้องมีต่อพระเจ้ามีต่อผู้อื่นนะครับแล้วก็สรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างถ้าเราดูในตรงนี้มีโทษีนะนั้นเราจะอยู่อยู่ในสังคมที่ โดดเดี่ยวไม่ได้เราต้องขึ้นผ่านนะครับในภาพรวมเราต้องติงพระเจ้าและในประถมกาลเราจะเห็นว่านะครับพระเจ้าสร้างเราเนี่ยตามพระฉายของพระองค์นะครับเราต้องมีหน้าที่นะครับที่จะปฏิบัติต่อพระเจ้าแล น, นเราจะเห็นว่าในปรฐมการบ์ที่หนึ่งข้อที่ยี่สิบกบอกว่าพระเจ้าบอกว่าให้เราสร้างมนุษตามฉาย ฉายาตามอย่างของเราให้ครอบคลุมปลาในทะเลหุ้มนกในอากาศและหู้มสัตว์ที่ปกครองแผ่นดินทั่วไปและสัตว์ต่างๆที่เลเื้อยคลานบนแผ่ินถ้าเราดูในพระวจนะตรงนี้นะครับทุกอย่างเนี่ยมันมีในยักษ์สำคัญหมดสร้างมนุษย์ตามฉายาคือชายคือแบบของพระเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราถูกสร้างโดยตามแบบของพระเจ้านะครับมนุษย์ก็จะให้เกียรติมนุษย์ด้วยกันถูกไหม เราก็จะไม่ฆ่าคนเพราะว่าเราจะไม่ทําทําลายนะครับดังนั้นตามอย่างของเรานะครับก็คือให้ปกครองนะครับมีอํานาจนะฮะคือให้อํานาจมนุษย์เลยในการปกครองทุกๆอย่างเอาว่าสรุปว่าทุกอย่างนะละกันที่พระเจ้าสร้างให้ปกครองผูงนกผู้ปลาผูงสัตว์ต่างๆและการดูแลสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างถ้าเราดูตรงนี้นะครับ เราจะเห็นว่ามนุษย์มีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ต่อพระเจ้าต่อผู้อื่นแล้วต่อสรรพสิ่งนี่ยสิ่งต่างๆทั้งปวงรวมทั้งธรรมชาติด้วยที่เราจะต้องดูแลให้อยู่ในระบบพระเจ้าทรงสร้างสิ่งต่างๆในหกวันเนะี่ยถ้าสมมูรณ์เสร็จสิ้นแล้วนะครับทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วแต่ว่าการพัฒนาสิ่งทรงสร้างนะครับพระเจ้าทรงมอบหมายให้มนุษย์ งั้นมนุษย์ได้รับความมอบหมายแลก็ไว้วางใจจากพระเจ้าอย่างดีเลยพระเจ้ารักมนุษย์มากไม่มีสิ่งใดนะครับที่พระเจ้าสร้างเนี่ยเหมือนพระอคมนุษย์เท่านั้นเองที่เหมือนพระอแล้วมีทุกอย่างเหมือนพระองค์รวมทั้งสตสิสัมปชัญญะที่เป็นที่มองแต่มนุษย์เนี่ยได้ทำผิดไปเนี่ยอันนี้นะครับนี่คือโครงสร้างทั้งหมดนะครับคือภาพตัวอัก การทรงสร้างและกับพระเจ้าให้ให้ครอบครองดูมีอำนาจเหนือทุกอย่างที่พระเจ้าสร้างคือแทนพระเจ้านะเราคือตัวแทนของพระเจ้าดูแลนะครับดูแลโดยให้ความยุติธรรมและถูกต้องก่อนที่มนุษย์จะทําบาปมนุษย์ได้อำนาจของมีแล้วนะครับคือทือมนุษย์เนี่ยจะดูแลแทนพระเจ้าเพราะฉะนั้นในในความชั่วร้ายอะไรจะไม่มีมนุษย์จะบริสุทธิ์ และมีลักษณะที่โบฉุดเหมือนพระเจ้าที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาที่จะดูแลและสิ่งต่างๆที่จะรำเนินไปนี่คือแผนการดั้งเดิมของพระเจ้านะครับนี่เรามาดูนะฮะมนุษย์ยังไม่ทําบาปพระเจ้าก็ให้มนุษย์ทํางานแล้วนะฮะเราจะเห็นว่าในปรมการบทที่สองข้อที่สิบห้าและสิบแปดพระเจ้าสรงให้มนุษย์นั้นนะทำงานที่ส่วนเองนะครับดังนั้นอันนี้คือภาพหนึ่งนะครับที่พระเจ้าเนี่ย ให้มนุษย์ดูแลคือทำงานน้งานเป็นสิ่งที่ดีนะฮะงานคือสิ่งที่ดีคนที่คุณทำงานเนี้ยคือคุณทำด้วยความบริสุทธิ์นี่ยดีแล้วนะแล้วในข้อที่18บแปดบอกว่าพระเจ้าบอกว่าไม่สมควรที่ชายผู้นี้จะอยู่คนเดียวเราจะสร้างคู่า้านทให้สมกับเขาขึ้นอันนี้คื อ, อภาพเใงถึงการสมรสคือครอบครัว ครอบครัวคือสถาบันแรกนะครับที่พระเจ้าตั้งขึ้นมางั้นการแต่งงานถือว่าเป็นสิ่งที่มีเกียรตินะครับที่เราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะาสถาบันครอบครัวจะเป็นสถาบันแรกนะครับที่มนุษย์จะต้องรับผิดชอบคือดูแลสถาบันพอครอบครัวครอบครัวเล็กๆน้อยๆรวมๆร ว, ว, วมกันก็คือสังคมสังคมก็ต้องมีมีระเบียบการจัดสังคมถูกไหมครับมีการ จัดระเบียบของสังคมเพื่อความรเป็นระเบียบก็จะมีวัฒนธรรมมีประเพณีใช่ไหมครับสิ่งต่างๆงเหล่านี้เนี่ยก็คือการพัฒนาสิ่ง ส, งสร้างหรือว่า development c r a t i o n คือพระเจ้าให้มนุษย์มีอำนาจอย่างดีแล้วนะครับงั้นงานก็เป็นสิ่งที่ดีเราจะพระเจ้าให้เราดูแลสิ่งที่พระเจ้าสาร้างคือพัฒนาสังคมระเบียบ ความเป็นสังคมที่เป็นละเบียบและเป็นความความเป็นความวิถีธรรมนี่คือวัตประสงค์ของพระเจ้าโอเคไหมครับนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าต่อมาในยังไม่ทันใดนะครับบทที่สามเนี่ยมนุษย์ทําผิดแบบแรกนะครับทําผิดแบาบปทาผิดบาปยังงนะครับมนุษย์ทําผิดแบาบปก็คือพระเจ้าบอกว่าในในสวนที่พระเจ้าให้ดูแลนั่นแหละก็คือมีต้นไม้นะครับที่สำนึก เความดีและความชั่วนะครับพระเจ้าบอกว่าอยากกินต้นไม้นี้นะครับถ้าวันใดที่เจ้ากินเจ้าต้องตายแน่นะครับมนุษย์ก็ถูกพญามานในร่างของงูนะครับหลอกการที่มนุษย์กินผลไม้เนี่ยถ้าเราดูถิวเผินจะรู้ว่าเอ๊ะทำไมจะต้องมีโทษถึงตายเฉลยกินผลไม้อะไรเงี้ยทำไมต้องมีโทษถึงตายเราจะเห็นว่าผลไม้นี้เนี่ย เป็นผลไม้ที่ไปทําลายนะฮะความสํานึกผิดชอบความสํำนึกผิดชอบที่บอกว่าเราต้องใช้คนเชี่ยวหรือว่าสติสัมปัญญาในการการที่จะเข้าไปวินิจฉัยแั้นกลัตรงนี้ว่าทําไมพระเจ้าสร้างให้เรามีสติสัมปัญญาเหมือนพระองค์นะครับสิ่งต่างๆแต่ที่บอกไปแล้วว่าไม่มีมนะฮะนั้นไม่ว่าสร์ ไม่ว่าก้อนหินลมอากาศที่มันคือสิ่งที่มองสร้าล้วนแล้วแต่ต้องเชื่อฝังเขาจะไม่มีทางเลือกนะครับถ้าเราทิ้งวัตถุลงไปมันต้องหล่นลงมาด้วยค่าใหญ่พี่นะครับถึง 12.2 เป็นเปิดเซกส แ, แนนนะควร์้น่อนแล้วก็ถ้ามันวิ่งมันก็ต้องเป็นไปตามกฎหรือเครื่องบินขึ้นไปด้วยแอร์โรไดน์นี่เป็นปฎเกณฑ์ที่มนุษย์ทุกคนจะเปลี่ยนแปลไม่ได้นะครับอันนี้เปลี่ยนแปลไมได้ แต่ว่าสิ่งที่พระเจ้าให้หมอกออไม่เหมือนกับสัตว์ก็คือความมีสติสัมปัญ ญ, ญามนุษย์มีสติสัมปัญญคือคิดเป็นทำเป็นนะครับแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความฉลาดนะฮะความฉลาดมนุษย์มีอยู่แล้วนะครับแต่ยิงนั้นเข้าใจผิดคิดว่าถูกหลอกว่ากินผลไม้นี้ฉลาดจริงๆเราไม่ใช่นะครับผลไม้นี้คือม่งที่จะให้ เ, เรารู้ความมีความชุวก่อนที่มนุษย์ทา ทำผิดบาปนะครับมนุษย์ไม่มีความคิดที่จะชั่วร้ายเพราะว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์แล้วเรารู้ว่าโดยตรรกลแล้วสิ่งที่พระเจ้าสร้างนี่คือสิ่งที่ดีประเสริฐเพราะฉะนั้นเราจะประเสริฐแต่ในบทที่สามนะครับมนุษย์ทํากิดบาปก็คือทํากินในสิ่งนี้ยเข้าไปถ้าเราเคยดูหนังหรืออะไรนะครับเราจะเห็นว่าในราชวงศ์ จีนสมัยก่อนเนี่ยมีการแย่งชิงกันกมีอยวน้าถูกครับเอถ้าใครได้อ่าอหมายถึงว่ากษัตริย์สมัยนั้นน่ะเราเรียกว่าฮ่องเต้มีสนองเยอะแยะถ้าใครที่มีค้อดบุลเป็นผู้ชายนี่มีโอกาสขึ้นจับขึ้นไปขึ้นข้องร่างขึ้นไปก็ก็จะแข่งแย่งกันบางคนก็เอไม่ให้อยากอยาให้สนมเอกหรืออะไรพวกเนี้ยหรือว่าคนนี้คนนี้จะมีลูกเป็นผู้ชายหรือว่าใครตั้งท้องกับ ทำแทงก็คือให้กินย า, าแพทย์จีนแผนโบราณนี่เก่งนะครับคือมีสูตรอะไรของเ้าเนี่ยที่จะทําให้ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นเนี่ยแท้งได้โดยการกินนั้นกลับมาตรงนี้เลยว่าพระเจ้าห้านมนุษย์เนี่ยกินผลไม้นี่นะครับเพราะว่าผลไม้เนี่ยไปฆ่าความเป็นมนุษย์ความเป็นตัวตนของมนุษย์และความตัวตนของมนุษย์คือลักษณะอันหนึ่งที่คล้ายกับพระเจ้าก็คือสติสมัมปชัญญ ที่ทีคือบอกแล้วว่าก็คือภาพของคนคือมนุษย์ฆ่ามนุษย์ฆ่าตัวตนของตนนั้นความผิดอันนี้ร้ายแรงมากไม่ใช่แค่กินผลไม้อย่างเดียวไม่ใช่คือคือมนุษย์ฆ่าคนนะครับและโทษของการฆ่าคนก็คือบทบัญญัติวลานะครับชัดเในโลกขก้านถ้าเราฆ่าคนเราต้องชดใช้ด้วยชีวิตสุดท้า น, น, นั้นนี่คือความที่ดีทำคือมนุษย์ได้ฆ่า ความเป็นตัวตนของตัวความตัวตนคือลักษณะอันหนึ่งที่เหมือนพระเจ้าที่พระเจ้าให้เราข้างมไปงั้น เ, เราจะคิดเป็นทําเป็นเหมือนกันแต่ว่าภายใต้ของความบาปนี่นสิ่งต่างๆที่ทีพ่พระเจ้าให้เราพัฒนาดูแลนะครับสรรพสิ่งทั้งปวงเนี่ยการพัฒนาของ เ, ออเราย่อมเดเวลอร์เเรช่นอยู่ภายใต้ของความผิดบาป ท, ทั้งสิ้นเลย ถ้าความผิดบาสนี่แหละจะบิ ด, บดเบือนนะฮะอันนี้คือโครงสร้างนี่คือสิ่งที่การประจุของวิจิตในบทที่สามตรงนี้เราเราบอกแล้วนะครับตอนแรกพระเจ้าสร้างโลกทุกอย่างดีงามดนแล้วจ่เป็นสิ่งที่ดีแต่มนุษย์นำทําบาสน<อ>ความบาสนี่กินลึกในจิตใจของเราแล้วก็ทําลายบิดเบือนนะฮะ บ, บิดเบือนสิ่งงสร้าง แต่ไม่ได้หมายเพราะว่าทําให้พระบัญญัติเสียไปนะฮะสิ่งสิ่งที่พระเจ้าสร้างที่พี่ที่บอกว่ากฎของฟิสิกส์นะครับเทอร์โมไดนามิกส์หล่อฟิสิกส์เข้าหลอหรืออะไรพวกนี้ยยังคงอยู่ในอากาศยังคงอยู่ตําเราแต่ว่าความบาปจะทําให้เรามองเป็นอีกอย่างนึ่งคือมีเงื่อนเสมือนกับเรามองคนที่ใสายตาสร้างจะมองไม่เห็ น, นหรือว่าเห็นลางลายพระพีหรือว่าพระคำสั่งคำสั่งของพระเจ้าเหมือนจันเล็งที่จะทําให้เราเห็นชัดเจน มองโลกภพให้เห็นชัดแล้วเราก็จะไม่ลงแล้วเราก็จะไม่สะดุดในสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรที่เข้ามาในชีวิตของเราเราสามารถตีความได้โดยใช้พระวจนะของพระองค์อันนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นในใ น, ในท่านพี่ก็เขียนไว้ว่ า, วาท่านพีทุกต่อนะครับดีสําหรับวินิจฉัยผมก็ใช้ตรงนี้วินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจของผ ม, มตลอดเพราะถ้าเราไม่มีท่านพีนะครับแน่นอนเราจะทุกขก บาดเนี่ยบิดเบือนไปบิดเบือนไปก็คือไปเรื่อยเรเราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่ดีนะครับอันนี้คือสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยนะครับมันครอบกับทุก ท, กทกส่วนของสังคมทุกๆุกส่วนของสิ่ง ส, งสร้างเพราะว่าบาปต้อมาดังนั้นไปที่บอกว่าโทษของความผิดต้อ ง, ต, องต้องความตา ย, ยานะฮะแล้วก็พระเจ้ารักโลกหลือเกิน นะครับจนได้ประธานประบุก็มีประเยชนมาตรงนี้เลยตรงนี้คือการประสูติของประเยชนนะครับเพื่อไม่ให้เราพินาศเพราะว่าถ้าไม่มีคนมาทายแทนแบบเราเราต้องพินาศแน่ๆแล้วพินาศในหมิงไฟในลมผมเคยเป็นพยานให้เพื่อนนะครับว่านี่คุณกําลังทําดีหรือว่าคุณกําลังอถือถึงเจ็ดถึงแปดอะไรเนี่ยนะครับเพื่อเที่ยวเราก็บอกว่าเพื่อ เขาจะถึงนิพพานคือสุดท้ายคือนิพพานคือไม่ต้องเรียนไหวตายเกิดก็คือคล้ายๆว่าไปหลุดพ้นพหรือว่าขึ้นสวรรค์ น, นั่นเลงครับผมบอกว่าคุณไปไปไม่ได้หรอกมีทางเดียวเท่านั้นคือทางของพระเยซูเชื่อด้วยปากนะครับแล้วะรับด้วยปากมาเชื่อด้วยใจพระเยซูมาได้าทางาๆแล้วคุณก็จะรอดแล้วนะครับง่ายๆเขาบอกว่าง่ายอย่างนี้มันต้องยากกว่านี้เนี่ยนะคร อะไรที่ง่ายๆผมบอกว่าพระเจ้ารับแผนไปแล้วคุณไม่ต้องทําหรอกเพราะว่ายัางไรก็ตามเราทําไม่ได้งั้นทางสวรร่างเนี่ยนะครับพระเจ้าจับติดให้เราแล้วเราแค่เชื่อเท่านั้นนะครับเอ๊ะพระเจ้าไม่ต้องการนะครับที่จะให้เราคิดแม้ในบึงไฟนรกนี่ร้อนเนี่ยับเราเห็นถึงนรกในลาสลัลต์ในเศรษฐีกับลาสลัลต์เราเห็นถึงอันนั้นคือภาพเนี่ยนะครับว่านรกนี่ร้อนเหลือเกินนะครับก้ะท่านเศรษฐีบอกว่า ให้ราสละเอานี้จุ่มน้ำเย็นรำมาตะนิ้เทาอันนี้คือภาพภาพให้เห็นว่าอนดโลกนี่ร้อนแล้วทุกทรมานมากผมเคยบอกเพื่อนว่าถ้าคุณสัมผัสไม่ได้ว่านดโลกนี่ร้อนแค่ไหนนะครับเอาอย่างนี้ที่เดือนเบษาเนี่ยร้อนที่สุดแล้วคุณลองไปอยู่ในกลางแดดสักสองชั่วโมงดิถ้าเดือนเบษาถ้าในการจะนมุรีเขาเคยวัดอุณหภูมิถึงสี่สิบสององศาซึ่งซึ่งร้อนมากนะครับสี่สิบสององศานี่ ถ้าเทียบกับในโลกนี้นะยังห่างไกลนะครับยังห่างไกลในโลกนี้ผมคิดว่าเป็นพันหรือว่าเป็นหมื่นองศาศนะครับแล้วเราไม่ได้อยู่ชั่วโมงหนึ่งเราไม่ได้อยู่สองชั่วโมงเราอยู่ที่นั่นชั่วกับชั่วกันถ้าเราไม่มีพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยเอดที่ตายไดหรอกคุณพร้อมที่จะอยู่ที่นั่นหรือเป่าไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดเล่นนะครับไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดเล่นจริงๆนะครับ คนอยู่ที่ทีนั้นชั่วกับชั่วกันนะครับขาดจากพระเจ้านิรันดร์การนะครับหรือว่าคุณจะมารับเชื่อตรงเนี้ยนะครับว่าพระเจ้าทรงพระบุตรก็ถือพระลงเองมาตายแทนทุะคนก่อนที่จะถึงตรงนี้นะครับในพันธสัญญาของอับราฮัมนะครั บ, น ค, รบคนที่อยู่ตรงนี้ก็จะเชื่อโดยที่มองเห็นถึงการไปอ ย, าย่างปลอที่จะถึงแต่เราอยู่ตรงนี้นะครับเรายังไม่ถึงตรงนี้ นั่นก็คือเราต้องทําหน้าที่เราเราต้องรับเชื่อนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงตรงนี้เพราะเราอยู่ตรงนี้แต่หลังจากนี้เราก็คือรีนิหรือว่าร mm ีเจนเนเรชั่นก็คือประชากรใหม่ที่เราจะไม่พูดตรงนี้เรพูดตรงนี้นะครับเราพูดตรงนี้อันี้นเรามาพูดตรงนี้นั้นความบาปเนี่ยเป็นท้าแท้คือตัวตัวโย่งเลยที่จะกัดก่อนทําให้บิดเบือนสิ่ ง, รงสร้างอย่า mm hmm. ที่บอกไปแล้วนะครับว่า มันเปลี่ยนทุกอย่างเลยใชครั บ, บเปลี่ยนทุกอย่างจนกระทั่งบางอย่างเราคิดว่ามันเป็นวัฒนธรรมเป็นนอ r เป็นบรรทัดฐานที่เราจะยึดปฏิบัติบรรพุตสอนเราอย่างนี้เราก็ปฏิบัติอย่างนี้จนกระทั่งหลายหลายคนก็เชื่อตามนั้นนะครับโดยที่ไม่ <Hey. S 1> เดิมทีเดียวนะครับที่เราได้มีความผิดว่าพระเจ้าต้องการให้เรามีความสาำนึกกับพระเจ้า ผู้อื่นและสิ่ง ส, งสรงแท้เมื่อความผิดบาปเกิดขึ้นมาแล้วครอบงําเราเราจะมีปฏิิยาอย่างนี้นะครับพระเจ้าเราจะปรับเปลี่ยนสลับเปลี่ยนการดำเนินกนะารเราเริ่มคิดว่าไม่มีพระเจ้าเราบอกว่ารูปโขหรือว่าไม้หินก้อนหินสลับขึ้นมาแล้วอุโบสถว่านี่คือพระเจ้า ดีเซลที่พระเจ้าพาออกมาจากการเป็นท่านหยีเนี่ยยังไม่ทันเลยนะครับมัดมาที่ข้ามทะเลมาที่พระเจ้าคำแจ้งก็เห็นถึงการแยกน้ำออกหลายคนบอกว่าเ อ, อไม่จริงหรอกค่ะทั้งเขาจะไอน้ำมันแยกออกโดยฤทธิเดชของพระเจ้าแล้วเขาข้ามไปแล้วกันอยู่ในจินทุรกันดารนี่คือสิ่งมหาศาลที่มนุษย์ทำไม่ได้พระเจ้าเท่านั้นที่ทำได ท, ทั้งทั้งที่เขาเห็นนะครับยังไม่ทันเลยเลยนะครับเขาลืมพระเจ้านะตอนที่โมเสสขึ้นไป บนภูเขานะฮะเข้าอยู่ข้างล่างเขาก็หลีนพระเจ้าแล้วแล้วก็เอาทองคามาหลอมเป็นรูปโขนขึ้นมาแล้วก็นับว่าโอ้เนี่ยคือพระเจ้าของเขาพัดนำเขาออกมาจากอีกใช่ไหมแล้วหลายอย่างๆก็ทําอะไรสะอิดสะเอียนมากจนพระเจ้าระําหลีกว่าจะทําลายชนชาติด้ซ้ำชนชาติที่หัวแข็งแล้วก็ดืดดึงด้วยนะครับ คือเปลี่ยนการรับใช้กว่ารูปเขาลงท่านพี่ใช้คำว่าเป็นปฏิบัติกับพระเจ้าพระหัตถ์ไม่พระเจ้าที่โลกแลงนั้นพระเจ้าจะนำการที่ภาคสารนี่คือความสัมพันธ์ของพระเจ้าที่เรากับพระเจ้าที่เคยมีดีตั้งแต่ตั้งแต่ขาดสะบั้นเปลี่ยนแปลงไปบิดเบือนไปด้วยเป่าต่อผู้อื่นนะครับพระเจ้าต้องการให้เรามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นช่วยเหลือสังคมถูกไหม นำพาให้ความยุติธรรมที่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะเป็นสโตรงกันเกียรชังกันบังทีจ้องหน้ากันก็ตีกันแล้วลทุกวันนี้ก็มีข่าวลงนะฮะยกพวกตีกันพองหน้ากันก็เราก็ยิงกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือความคิดความบาป ท, ที่ครอบงำเราความเป็นเอ่อทำให้ความสัมพันธ์นี้หกกัก น, นะครับภาพรักของพระเจ้าหายไปไม่มีในตัวเรา ถ้าเรารู้ว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยพระเจ้าทราบเราจะไม่ทำลายเขาใช่ไหมเราจะไม่ฆ่าเขาใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ทำลายสิ่งที่เป็นของพระเจ้าแต่ว่ามนุษย์ฆ่ากันเป็นพักเป็นการอย่างนี้ยังเล่นนิดๆน้อยๆนะครับก็ฆ่ากันน่าเป็นห่วง น, นะครับส่วนสัปพะสิไม่ต้องพูดถึงนะครับคือเลวร้ายหมดกอืม เราทําให้ไม่ไม่ไ ม, ไม่ว่าแต่สังคมนะครับรวมทั้งสิ่งต่างๆเราทําลายแมนกระทั่งเราปล่อยสิ่งสกรปรกเข้าไปในแม่น้ำํำลำคลองเราปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในเข้าไปในชั้นบรรยากาศทําให้สิ่งที่ทรงสร้างเนี่ยมันกําลังเสี่อมไปเราเจอสภาวะโลกร้อนใช่ไหยครับสิ่งต่างๆเราเนี่ยมนุษย์ไม่ได้ไม่ได้คานึงว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าให้เราดูแลและปกปักรักษา ที่เราเรียกว่าธรรมชาติเรากําลังล่วงลําไปและทําลายธรรมชาติและสุดท้ายคุณก็จะถูกธรรมชาติทําลาย เ, าเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับการที่พระเยซูคริสต์ทรงมาตายแทนเราเนี่ยก็จะทําให้ทุกอย่างกลับคืนดีนะครับการคืนดีอย่างที่บอกไปนะครับก็คือการกําจัดความแตกล้าวาของพัพนมนุษย์รวมทั้งเป็นการรักษาความสัมพันธ์ในส่วน บุคคลและก็สังคมการคืนดีไอ้ที่บอกว่าละการคืนดีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราถามที่ผมว่าถ้าเราล็อกเชื่อจริงๆมันก็คืนดีแล้วอ่อนะครับแต่ถ้าเราเราคิดว่าเราล็อกเชื่อนะแล้วทุกอย่างมันจะดีมันก็จะไม่ไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้น ที่มนุษย์จะทำผิดบาปพระเจ้าให้ให้มนุษย์เนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับพระเจ้ากับผู้อื่นและสิ่งส่งสร้างนะครับนั้นการยืนดีนะครับถึงแม้ว่าบาปจะกระทบไปทั่ว น, นะครับแต่การส่งสร้างอันเปิดเิยของพระเจ้าที่บอกว่าพระบัญญัติต่างๆไม่ได้ถูกทําลายนะครบาปทําทให้มนุษย์มองสิ่ ง, งต่างๆที่เป็นอยู่เนี่ยปิดเบือนไปนะครับอย่างที่เบคกี้บอกว่าตัวอย่างอันนึ่งก็คือ มนุษย์เห็นว่าทุกอย่างเป็นธรรมชาติมันเกิดขึ้นเองไม่มีพระเจ้ามันเกิดขึ้นเองแล้วก็ถ้าการตายก็คือสิ้นสุดทุกอย่างนั่นคือธรรมชาตินิยมแล้วก็มีพหุเทวานิยมก็บอกว่าโอ้มีพระเจ้าหลายองค์เป็นรูปหัวช้างบ้างอะไรบ้า ง, ยยางเยอะแยะไปหมดเลยแ ล, ล้วมาแล้มาลองทานถวายตูก๊กเคาล็กทุกอย่างเลยนะครับอันนั้นก็ไม่ใช่พระเจ้าเป็นแค่ของเราในเรื่องนี้ เอาเบอวอลเทอร์ uh, Albert, uh, Walter, บอกว่ามีองคอ์ความรู้ที่ผิดความรู้ที่ผัดนั่นในความคิดของมนุษย์นะครับที่ทำให้บางคนตระหนกิดพาพของเจ้าเรื่องความเกิดความทุกข์ในโลกบางคนเห็น อ, อย่างเช่น ซ, ซ, ซื้อนามีที่เราพาังว่าโอ้ทำไมพรบัติพระเจ้าอยู่ที่ไหนหรือว่าภูเขาไฟระเบิดอะไรอต่างเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ไม่ดีพระเจ้านำมานีา้ แต่ถ้ามุมมองของเรานะครับเคยไปบอกกัเราอะทุกอย่างที่พระเจ้าสร้างต้องกลับไปที่เบสิคว่าเป็นสิ่งที่ดีล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์สำหรับเราและเกีออ่ยกันเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราอยู่สังคมและเกี่ยวข้องกันหมดนะครับงั้นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันจะมีผลและทำให้ทุกอย่างถ้าดูภาพรวมนะครับผมเคยพูดว่าไอ้ฝนตก้าผห่าเนี่ย คุณอาจจะตายพวกฟ้าผ่าหรือว่าภูเขาไฟระเบิดอะไรพวกนี้ทำให้เกิดความหายนะที่เราเรียกว่า n a t u r l disaster นี่นะครับจริงๆ ส, สิ่งเหล่านี้มันค้องร่วมกันสัมพันกันถ้าไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะครับก็จะไม่มีฟ้าผ่าถ้าไม่มีฟ้าผ่าเนะครับเราเราก็จะไม่มีสนาแม่เหล็กโลกนะเวลาฟ้าผ่าลงมาแยกอนุมมลในอากาศตกมาเป็นพวกไงเกรดนะครับ คุณจะเห็นว่าเวลาหลังฝนตกเนี่ยพืชก็งอกงามสวยงามโตขึันหลังฝนตกเนี่ยใบไม้ขึ้นงามอันนั้นคือปุ๋ยธรรมา ช, ชาติอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกาแฟผักแล้วก็เมื่อผ่านลงมาแล้วนะครับไอ้พวกไอ้ธาตุอะไรต่างๆมันจะแย ก, กเป็นพวกโลกเนี่ยนะเป็นพวกโลกต้เป็นสนามแม่เลลหล็กลักษาะแม่เหล็กที่มีประโยชน์ไม่ใช่ชาวประมงไปสําหรับเดินเลยนะครับมันมีประโยชน์มันชอบสร้างอะไรนะครับที่การ การไอ้ลังสีไอ้พายุสุริยะที่ปะทะโลกมนดันหมดที่เราจะเห็นในรูปของโอลรราเป็นสีเหลืองสีแดงสีม่วงไปท้องฟ้าที่ที่เอ่อไม่มีเมฆวันท้องฟ้าที่โปร่งใสเราจะเห็นโดยเฉพาะพั่นโลกเหนือพื้โลกใต้ น, ใ น, ในะครับเป็นลิลสีเหลืองสีม่วงสีแดงะเนี่ะคืออนุภาคของการชนกันระหว่าไอ้พายุสุริยะที่เราเรียกว่าโซลารินกับสนาดนั้น มันหมายถึงว่าพระเจ้าป้องกันเลยแล้วนี่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นธรรมชาติกับทุกอย่าเนี่ยเราอาจจะเห็นว่ามันไม่ดีแต่ว่าภาพรวมมันดีนะครับเราต้องมีมุมมองนะครับตรงนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่สนับสนุนนะครับว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงขอพระทยที่จะให้ความบริบูรณ์ทั้งสิ้นดำรงในโลกและโดยโลงให้สิ่งสารพัดกับดีกับพระเจ้า ไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่ในสถิลโลกหรือวิในสวรรค์พระองค์ทรงทําให้มีสติภาพโดยโลดิบแห่งไม้กางเขนของโลกเห็นไหมครับอันนั้นคือพระเจ้ชชามีพระประสงค์ที่จะให้คืนนั่นคือที่มาของวันคริสต์มาสคือการที่พระโอรสบัพปสูตรแล้วประสูติไม่ใช่ธรรมดานะคือประสูติจากโดยพระดิเวทของพระวิญญาณสุดจากหญิงปมัย ถ้าเราเราเชื่อตามนี้นะครับคือสิ่งที่พระพระคีรีบอกครับพระองค์ทรงมาประสูติล้วจะโดยหมายถึงว่าเหมือนมนุษย์เลยอยู่ในท้องของหญิงเก้าเดือนค้อดเหมือนปกติแต่ว่าไม่มีบาเพื่อที่จะมารับความผิดบาปไรนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องบังเองิญเราจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่เอ สิงนี้เกิดสิ่งนี้เกิดต่างๆไม่ใช่เราเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยพระเจ้าบรรจุไปแล้วแล้วสําเดงให้เรารู้แล้วนะครับแผนการทั้งหมดนี่ออันนี้เป็นเทศกาล ร, รอยดระทงนะครับเทศกาล ร, รอยดระทงเนี่ยอซึ่งผ่านมาไม่ไม่นานนี้นะครับคือคือผมอยากจะพูดนะครับคือว่าบางคนที่อาจจะตีความที่ผิดไปเราจะพยายามที่จะแยกออกจากสังคมนะครับ ออสองทํากนก่อ น, อนที่จะเกิด เ, เทศกาลลอยกะทงนะครับผมก็อยู่ในหมู่บ้านพอดีมีมีเด็กกลุ่มหนึ่ง อ, อายุเล็กเพื่องอธิบ า, อายอนุบาลหรือว่าปอนหนึ่งปอนสองเท่านั้นเลยพอดีผมรู้จักเด็กกลุ่มนี้เพราะว่าเพราะว่า อ, อตอนนั้นกําลังซ่อมหลังคานะครับก็เลยยืนดูช่างเขาซ่อมอก็เลยมีเวลา เขาดันก็เล่นก็นเล่นเหมือเขาแล้วก็สอนเขาพับไอ้ลบกิีลากระดาษอะไรเนี่ยนะครับเลยสนิทสนมกันในกลุ่มนี้สนสนมกันแล้วเมื่อถึงวันก่อนที่จะมีรอยกระทงสองสาวันนะครับ mm hmm. เขาก็อยากมีด็กคนก็บอกว่าเขาอยากจะพับกระทงเขาอยากจะทาประทงผมก็บอกว่าใครมีอะไรบ้าง อ่าอีกอี ก, อ ก, อกอวันอัครหรืออะไรเนี้ยผมบอกว่าอย่มาเจอกันที่นี้ต่ตอนช่วงเย็ยนๆนะครับเราจะเขาก็จะแจงแบ่งหน้าที่กันนะคนนี้เอาใบตองมาคนนี้เอาแอม็กซ์นนี้เอากาวันนี้เอาอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะครับมาเราจะผมบอกเออมาเจอกันแล้ผมจะเปซื้อโฟมมาเฮ้ยรู้สึกวันอนะังคารรู้สึกวันอังคารผมสอนเสร็จ ที่มาอะไรจะเสร็จผมก็รีบกลับไปแต่ในว่างทางผมก็ไปแวะซื้อของที่ร้านเครื่องเขียนซื้อโฟมซื้อลิปดินซื้ออะไรแล้วก็ไอ้กิ๊กีดดอกไม้ผมกดอกที่ว่าผมต้องซื้อไปหมดเลยเพอเด็กพวกนั้นยังเล็กๆอยู่เลยบางคนอยู่อนุบาลด้วยลำตันผมก็ไปแล้วก อ, อไปสอนเข้าภาพนะครับจริงๆไม่ภาพไม่เก่งหรอกผมว่าแต่ว่าไอ้กิ๊บดอกไม้อะไรเนี่ยทำสำเร็จรับเราแค่ติดกาวนะครับ ก็ก็เกิดความสนิทสนมกันแต่ว่าสิ่งที่กําลังพูดก็คือว่ามีคริเสเตียนที่เห็นผมทำแบบนี้เขาถา ม, มว่าผมทําอะไรเพราะว่าผมทำกระทษ ร, รู้สึกว่าเขาจะหมายถึงว่าตําหนิว่าคริเสเตียนทําไมถึงลอยระทรงนะครับผมถามว่าการรอยกระทรงนี่เป็นความผิดหรือเปล่านะครับใ น, ใ, นในการรอยกระทรงชาวชาวโลกอะไรหรือว่าคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเนี่ย เขาจะคิดยังไงเช่นเขาอาจจะคิดว่าเป็นการลอยความทุกข์ความโศกออกไปหรือว่าเป็นการขอเขามาในน้ำพงคาหรือว่าอะไรที่ทิ้งศพกระบอกไปหรือเป็นการบูชาเทพเจ้าของเขาเขาจะคิดยังไงก็เป็นเร่งของเขาคําเราไม่สามารถที่จะห้ามได้แต่ความจริงก็คือความจริงความจริงการคิดความผิดบาปไม่สามารถเปลี่ยน เปลี่ยนแปความจริงได้ความจริงก็คือว่าทุกอย่างคือพระเจ้าสร้างแม้แต่แม่น้ําลำพองพระเจ้าแต่กู้สร้างถ้าเราลอยกระทงเพื่อเป็นการขอบพระคุณพระเจ้าเป็นการจิดหรือเปลเป็นความผิดไหมนะครับก็กลับมาถึงว่าทุกอย่างที่พระเจ้าให้เราทำเนี่ยนะครับที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่ได้เลยนะคือหน้าที่ของทฤเฎียเราเรียกว่าฟังก์ชันฟังก์ชันจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับไม่ว่ารุ่ไหน เวลานี้อดีตอนาคตแม้กระทั่งพระเจ้าพระเยซูมารับเราเราก็ไม่เปี่ยนกันนั่นก็คือการนมันสการโลกการถวายเกียรอย่างโลกการสรรเสริญโลกอันนี้ต้องทําการอธิษฐานการพูดคุยกับพระเจ้าการขอพระเจ้าสิ่งนี้ต้องทําเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่ขึ้นกับกาลเวลาไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่เราต้องนมัสการพระเจ้าเราต้องอธิษฐานนั่นคือหน้าที่ของทิ่เสียงแต่รูปแบบ ร, รูปแบบเป็นอิสลาม เราจะทํายังไงก็ไ ด, กด้ขึ้นอยู่กับท้องถิดขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมนะครับความเป็นอิสระนี่ถูกมีกรอบดูแลอยู่ก็คือสังคมวัฒนาธรรมที่เราอย่างอย่างคนบอกว่าอา้อาวลูปแบบเราจะทํำยังไงก็ได้เราเราจะมาบอดนิมัสการเราต้องมาแต่วา่ารูปแบบเราจะสบายเราอิสระเราใส่เสื้อกล้ามมาใส่เสื้อกอลกงมาไม่ใส่เสื้ อ, อ ม, ม า, ไ, มมาได้ไหบ ไม่แน่เพราะว่าอันนั้นที่อิสระก็ถึงแต่ว่ามีวัฒนธรรมมีกฎเกณฑ์ของสังคมเป็นกรอบอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องที่เสียนต้องเคารพกฎเกณฑ์ด้วยกฎเกณฑ์ของสังคมวัฒนธรรมคือสิ่งที่พระเจ้าให้เราพัฒนานะฮะภายใต้ความถูกต้องคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการเ็นเพราะฉะนั้นเราแต่งตัวไม่สุภาพมาไม่ได้ เป็นกุดเกาะของสังคมเกาะของสังคมณ์ที่ที่นั้นที่ที่นั้นถ้าสมมุติว่าลุณไปร้อการพระเจ้าถือว่าจากคนชาวเขาคนคนเขาที่เขาไม่ใส่เสื้อวัฒนธรรมของเขาเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นถูกไหมคือคือคือการไม่ใส่เสื้อเนื่อเป็นวัฒนธรรมของเขาแต่ถ้าสมมติเราไม่ใส่เสื้อมาหัวที่ในในในเมืองหรือว่าในที่นี้มันก็ไม่เหมาะสม เช่นเดียวกันนะครับประเพณีวัฒนธรรต่างๆเนี่ยพระคัมภีไม่ได้ว่าให้เราห้ามเราที่ยราไปยุ่งเกี่ยวถ้าที่จริงเนี่ยพระเจ้ามีพระประสงค์ที่เราจะเข้าไปเข้าไปมีส่วนหรอืออิงโว่กับสิ่งนั้นและการนำพาสังคมหรือคนกลุ่มนั้นเนี่ยให้มาพบความจริงในพระเจ้าไม่ใช่เราแยกตัวออกจากสังคมนะฮหลายคนอาจจะคิดว่าเออเนี่ยโ อ, เอ้เราเนี่ย รับเชื่อมีความัตื่นร้อนมากประกาศกับประกาศอย่างเดียวเลยแยกตัวออกมาไม่ทําอะไรนะครับแยกตัวออกมาจริงหรือเปล่าถ้าเรากลับไปดูในวงกลมที่ผมพูดทําดูเราต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้อื่นและกับสรรพสิทธิ์ที่พระเจ้าส่งสั่งนี่คือภาพรวที่พระเจ้าต้องการเห็นในชีวิตของบุตรของโลกถ้าเรารับใช้แต่เวลาเราเราประกาศประกาศอย่างเดียวไม่ทำอย่างอื่นก็คือ ถ้าขะแนนเต็ร้อยคุณได้สามสิเปอร์เซ็ตคุณยังไม่มีความสัมพันธ์กับสังคมถูกไหมกับสิ่งทงสร้างที่พระเจ้าต้องการให้คุณเข้าไปเกี่ยวข้องนำพาสังคมให้กับคืนดีกับพระเจ้านี่คือการคืนดีนะครับเทศกาลอื่นๆอีกนะครับอย่างสงการหรืออะไรก็ตามนะครับชาวบ้านคิดยังไงช่างเขาแต่เราคิดว่านี่ความจริงของพระเจ้ามีหยึ่เดียว พระเจ้าต้องการให้เรานำพาสังคมให้เราเป็นแบบอย่างสังคมในความยุติธรรมในความถูกต้องนะครับหรื อ, อาการทำบุญบ้างเรียกว่าบั้งไฟกั่ไในอีสานนั่แหละสภาพที่เราพระเจ้าชดใช้แทนเราเรามีสภาพใหม่กลับคืนดั่งเดิมเหมือนดั่งพระเจ้าใช่ไหมครับพระเจ้าสร้างเราตอนแรกคือเหมือนดั่งพระเจ้าคือพระชายของโลกที่จะครอบครองดูแลสิ่งต่าง เมื่อเราพระเยซยตายทานบาปเราแล้วเราไ ด, ได้สภาพใหม่กลับคืนมาดั่งพระเจ้านะครับทำมาพิธทิกรชนเนี่ยครับถูกเรียกให้มาคือคืนดีสมานชันกับชีวิตสถาบันคนอื่นๆ อ, อ, อยู่ร่วมกันอย่างมีการพ่สุขและไม่เอาเปรียบสร้างความยุติธรรมนะครับที่ไหนที่ไม่มีความยุติธรรมมัน คริเสเตียนจะมีหน้าที่ที่จะทําให้เกิดความถูกต้องและยุติธรรมมันคือประสบ ข, ของพระเจ้านะไม่ใช่แยกตัวออกมาแยกตัวออกมาผมจะให้ตัวอย่างหนึ่ง ว, ว่าพระเยซูเนี่ยเป็นแบบอย่างในการคบหาคนบาปถ้าเราแยกตัวออกมาจากคนอื่นบอกว่าโอเ้เขาไม่เชื่อพระเจ้าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันนะครับเราไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสังคมนั้นจริงหรือพระเยซูเนี่ยตรง ทานอาหารกับคนเจ็บปัสสิณนะฮแล้วคนบอกว่าทำไมอาจารย์ของท่านจึงรับประทานกับคนเจ็บปัสสิณพระเยซู ต, ตอบว่าอะไรครับคนเจ็บต้องการหมอแต่คน อ, อ่สบายไม่ต้องการนะครับท่านทั้งหลายจึงไปเรียนตั้งทีข้อนี้ให้เข้าใจว่าเราประสงค์ความเมตตาไม่ประสงค์เพื่อจักรวาล บ, บูชาช่วยว่าเราไม่ที่มาเพื่อจะเรียกคนที่ถู้ว่าตัวเองชอบทําแต่มาเรียกคนบาป พระเยซูทรงคุกทีนะครับสมาคมสังคมกับคนบาปแล้วเราเป็นใครที่เราจะบอกว่าเราเนี่ยรู้เรื่องพระคัมภี์เออหลายคนเป็นอย่างนี้นะเห็นตรงเห็นตรงมีต้องระวังให้ดีนะเห็นตรงคือเข่งคัดในเรื่องอยู่จริงๆแล้วก็เอาพระคัมภี์เนี่ยคอยจับติดคนอื่นไม่ใช่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าครับเรารู้ว่า พระคมภีเป็นคำตัดคำรองพอดเรารู้ว่าเขาทำผิดใช่แต่พระเจ้าไม่มีพระประสงค์ที่จะจะให้เราเอาพระคำพีไปตรวจสอบคนอื่นหรือไปจับผิดคนอื่นแต่เรารู้มากเรารู้พระเจ้าตัดกับเราเรารู้มากเราก็ควรจะเอาความรู้เนี่ยไปบอกเขาเหมือนกับที่พระองค์พระเยซูบอกไว้นะครับว่าเราไม่ได้มาหาคนที่เรียกตัวเองว่าชอบธรรแต่พระองค์ทรงมาเรียกคนบาปจำํำเลยนะครับ เราเองก็เคยเป็นคนบาปและทุกวันนี้เราก็ทำกิดบ่อยๆพูดผิดก็พูดผิดนี่คือความไม่สมบูรณ์แต่เมื่อพระเยซูมารับเราเราจะสมบูรณ์นะครับงั้นไม่แยกตัวออกจากสังคมนะหรือว่าคิดว่ามีฝ่ายธรรมะมีฝ่ายธรรมนั่นเป็นความคิดที่บิดเบือนไม่มีสองฝักสองฝ่ายทุกอย่างพระเจ้าสร้างมาล้วนแล้วแต่สิ่งที่ดี แต่บ่าได้บิดเบือนให้เรามองเบลอๆนะครับไม่มีธรรมะไม่มีอธรรมไม่มีคนที่เรียกว่าเป็นคนบริสุทธิ์และกไม่มีใครที่เป็นคนที่ไม่มีชาวโลกเอานีน้ในศาสนาเนตของพระเจ้าทุกคนเทั่วัปอย่างเช่นอาจารย์ตโตโรก็บอกอันนี้คือความผีที่สนับสนุนนะครับ ต้องระวังคนที่ใ่้คัดในเรื่องหยุ่หยุ่หยุดในนี้เกี่ยว ก, กับเรื่องการกินอาหารของที่บูชาบางคนบอกว่าอของที่ว่าลูกขรพเราไม่ควรจะกินจกะกลอทุกอย่างเนี่ยถ้ากินด้วยความขอบประคุณก็ไม่มีอะไรห้ามเลยแต่ถ้ามีพี่น้องมาบอกว่าสิ่งนี้บูชากับลูกขรพแล้วเราก็ไม่ควรกินไม่ใช่ว่าไม่กินไม่ได้เพื่อเห็นจากคนที่มาบอกเรา นะครับไม่ให้เขาเสนออย่างนี้นะครับอันนี้คือห้ามพีนึงคนที่แรกก็ที่สี่ก็สนับสนุนครับก็ไม่มีอะไรห้ามเลยถ้าเราทําด้วยจิตบริสุทธิ์ถ้าเราคิดว่าความจริงหนึ่งเดียวก็คือหนึ่งพระเจ้าพระท้าวทำเพื่อฆ่าเจตมเโลกยั น, น เ, เปลี่ยนแนวความคิดใหม่นะครับว่าไม่ใช่ว่าเรา ร, รู้จักพระเจ้าแล้วเราต้องแยกตัวออกจากสังคมหรือเราทําตัวอโอเคร่งคัดมากเลยแต่แล้วก็ปีตัว นะครับแล้วนกะ็ไม่ดูแลสังคมหรือว่าเขามีกิจกรรมของเขาซึ่งเราไม่เชื่อเราก็ไม่จะยุ่งแต่ในความที่เราจะเข้าไปยุ่งนะครับอย่าเข้าใจผิดว่าถ้ามันมีเรื่องเกี่ยวกับศาสนาความเชื่อเนี่ยเราต้องไม่ทำแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ไปพบคาสมาธครเัเรามีส่วนร่วมได้ แต่ถ้ามีกิจกรรมเกี่ยวกับความเชื่อและพระคมภีรห้ามเราเือนกันเราต้องไม่ับเช่นมีการจุบทูบไหว้รูปเคารพอย่างนั้นเราไม่ับนะครับอันนี้ต้องเขา้าใจนะครับกลับมาตรงนี้ว่าเหมื อ, อกว่าพระเจ้าทรงปั้นบดาสะตว์ทุ น, นาท้งใต้ให้เกิดนีางชายคนนี้ให้เข า, าดูว่าเขาจะเรียกชื่อมันว่าอย่างไรเรเขาตั้งชื่อสัตว์ทัวงว่าอย่างไรสัตวนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับว่าอันนั้นเป็นอี ออบริบทเนี่ยเคบอกเราว่าพระเจ้าให้อำหํำนาจให้อหํานาจมนุษย์เพราะฉะนั้นมนุษย์ตั้งชื่อสิ่งนี้สิ่งนี้สัตว์นี้ชื่อละไรแมวมันก็คือแมวนะครับสุนัขมันก็คือสุนัขนะครับคือมนุษย์มีอำนาจเหนือทุกสิ่งนะครับพระเจ้าให้ดูแลทุกสิ่งทั้งหดนะครับเอ สรุปตรงนี้นะครับว่าภาพรวมทั้งหมดครับก็คือมีพระเจ้าอ่างเดียวแล้วเราถูกสร้างขึ้นมาโดยฝีพ้าของโลกไม่ใช่เราสรรพสิ่งทั้งหมดโดยฝีพระหเพื่อพระองค์เพื่อเกียรติของโลกนะครับแล้วมนุษย์ทำผิดบาจึงทำให้พระเจ้ามาบังเกิดคือริสธรรม การบังเกิดของไปคิดเพื่อแต่จุดประสงค์เดียวคือไถ่โทษบาปเราให้เราคืนดีกับโลกให้เราคืนสู่สภาพคั้งเดิมที่พระเจ้าสร้างเราเพื่อถวายเกียกตรติพระองค์มีความสําคัญกับพระเจ้ามีสัมพันธ์กับผู้และสิ่งทรงสร้างให้เราดูแลพระเจ้ามอบหมายหน้าที่มีให้กับผู้เชื่อกับเป็นความไว้วางใจที่สูงสุดนะครับที่พระเจ้าเราเลือกเราขอบคุณพระเจ้าที่เราเห็นความผิดอะไรนั้น ขอบคุณพระเจ้าที่เราเห็นถึงสิ่งที่พระเจ้าให้เราเห็นภาพรวมภาพรวมของพระคัมภีร์ทั้งหมดไม่ใช่ว่าการประชุมคริสต์มาสเป็นการให้รางวัลแจกของขวัญหรือว่าเป็นการท้าหรือเป็นการเกิดของผู้ผู้หนึ่งแต่เรารู้ว่าทั้งหมดนี้คืออะไรนะครับขอพระเจ้าวอวยพรคริสต์มาสเป็นการให้การใหไรร้ไม่ได้พระเจ้าพระเยซูไม่ได้มาเพื่อที่จะ บาพิพากษาทฤษฎีคือการประสบคือการให้เพราะฉะนั้นท่านทุกคนนะครับก็ให้ช่วงเวลาทฤษฎนี้เป็นการขอบพระคุณและกัการให้สิ่งดีๆกับเพื่อนบ้านกับคนรอบข้างการนำข่าวดีไ ป, ไ ป, ไ, ป, ไ, ปไปประกาศในขาา่าารและให้เขาคืนดีกับโลกเป่งพระประสงค์ของพระเรย์ ที่ให้เรามีชีวิตแล้วเรารอคอยเรารอคอยนะครับที่เห็นครับรอคอยที่พระเยซูจะเสด็จมาลับเราและเมื่อ น, นั้นเราจะเป็นปชชาราชญ์คใหม่แล้วเราก็ยังไม่ขาดการสรรเสริญพระเจ้ชชาเราจะอยู่ในสวรรค์แล้วเราจะร้องเพลงแล้วเราจะสรรเสริญพระเจ้ชชานั่นคือปชชาราชญ์คนใหมนะ่ที่จะอยู่ร่วมกับพระเจ้ชชาในชีวิตนี้แหละ ก็ขอให้ข่าวดีกประสันนะครับเป็นที่ฟังจิตใจเราไม่ใช่ให้บาปมาครอบงำเรานะครับพร้อมคุณพระเจ้าและอธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยเราที่จะดำเนินชีวิตตามแบบอย่างที่พระเจ้าประสงค์ให้เราที่ดั่งเดินและช่วยเราที่จะนำข่าวดีไปประกาศเพื่อผู้ที่หลงหาจะกลับมาคืนดีกับโลกแเขาจะ ไม่เต้ากีน่าน้าในไลัรกขอบคุณพระองค์ที่พระเยซูทรงมาบาังเกิดและไถ่โทษบาปเราขอบคุณและสรรเสริญพระอคในพระร น, พนามพระเยซูคริสต์เจ้า a <c oughs> ผูช้ชมยิ้ขึ้นร้อเพลงสรรเสริญพระเจ้าอคงค์พระเยซูเกิดในบ้านเป็นเพลงเพลงที่หน้า53อคงค์พระเยซูเกิดในบ้านเป็นเพลง ชครับขอเชิญคุณตอ้อมไนครับ